สามีเนี่ยเป็นคนที่นอนกรนดังมากนะบางครั้งนี่นอนกรนดังจนกระทั่งเจ้าตัวยังตื่นขึ้นมาเลยคนกรนนั่นนะแล้วก็ถามมาเสียงอะไรนะภรรยาก็เลยบอกว่าเสียงหมาอย่าไปสนใจเลย <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะตัวภรรยาคงจะลาคาญหนึ่งแต่ก็ปรับตัวได้จนนอนหลับ แม้จะมีเสียงกรนแล้วก็พบว่าในภายหลังเนี่ยไอเสียงกรนนี่มันมีความหมายมากแม้ว่าในช่วงแรกๆหรือในช่วงเกือบตลอดชีวิตจะรู้สึกลำคาญแต่พอสา ม, มีอาการหนักนะใกล้ตายเธอพบว่าไอเสียงกรนของเขานี่แหละนะมันเป็น สิ่งเดียวที่ยังบกบอกว่าเขายังมีชีวิตยอยู่เพราะว่าเขาพูดอะไรไม่ได้แล้วขยับเคลือนอะไรก็ไม่ได้มีแต่เสียงกล่นนะฮะที่มันยังบอกว่าเขายังไม่ตายแล้วก็เธอก็บอกเนี่ยเธอก็ยอมที่จะทุ่มเททุกอย่างนะเพียงเพื่อจะให้ไอ้เสียงนี่แหละมันยังดังอยู่แล้วแน่นอนนะเมื่อเขาตายไปเนี่ย เธอคงจะนึกถึงเสียงกลด น, นี้มากไอเสียงกลนที่เธอเคยลำคาญนะแต่ว่าพอสามีตายจากไปแล้วเนี่ยก็เริลึกนึกถึงเสียงนี้พเพราะถ้ามีเสียงนี้ก็แสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นี่เสียงกลนนี่ไม่อยากฟังภรรยาไม่อยากฟัง แต่ก็ทนฟังแต่พอตายไปแล้วนี่กับเราลึกถึงนะอยากให้มันมีเสียงกล้นอย่างนี้ทุกเช้านะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสละไม่สามารถจะทำให้เสียงนี้กลับมาได้อันนี้ทำให้นึกถึงผู้ชายคนหนึ่งตอนเด็กๆ ก, ก็ใกล้ชิดกับพ่อมากนะแม่คงจะเสียชีวิตไปนานตั้งแต่เขายังเล็ก ใก้ชิดกับพ่อมากพ่อก็ไปส่งที่โรงเรียนมารับกลับบ้านแต่พอเขาเรียนจบมาเาลยทางานมีการงานสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็มีภารกิจที่ต้องทำที่ทางานแต่เดิมกลับมากินข้าวที่บ้านกินข้าวกับพ่อนี่ตั้งแต่เป็นนักเรียนตแต่เด็กนะจนกระทั่งจบมาไอตอนจบใหม่ๆ ทำงานก็ยังกลับมากินข้าวบ้านแต่พออาชีพการงานเจริญมีตาแหน่งสูงก็ไม่ค่อยได้กลับมากินข้าวที่บ้านบางวันก็ประชุมดึกหรือว่าบางทีก็สังสรรค์กับเพื่อนนะตามวิสัยคนหนุ่มที่ยังไม่มีครอบครัวพ่อก็จะโทรศัพท์มาถามว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านนะเขาก็ทีแรกก็ธรรมดานะ ก็ให้เหตุผลไปว่าไม่ว่างแต่ก็หลังชักลําคาแล้วนะเพราะทำไมพ่อไม่ยอมกินข้าวคนเดียวนะทาไมต้องรอเขากลับบ้านทั้งพอก็โทรมาแทบจะทุกวันถ้าเกิดว่าวันไหนเขามาสายไม่กลับบ้านบางทีก็ชวนนะถามถามลูกว่าเมื่อไหร่จะมีเวลาว่างไปเที่ยวด้วยกันบ้างตอนเด็กๆนี่พ่อพาลูกไปเที่ยวนะ ตอนนี้นี่ยก็อยากจะไปเที่ยวด้วยกันอีกนะแต่ลูกก็ไม่มีเวลาบางทีก็โทรมาถามเนะสาร์อาทิตย์นี้จะไปไหนไม่ว่างหรือเปล่านะบางทีพ่อจะชวนไปเที่ยวนะลูกก็บอกปัดไปแล้วเป็นอย่างนี้ บ, บ่อยๆลูกก็ลาคาญแล้ววันหนึ่งพ่อก็เจ็บป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ตายจากไปในที่สุด ถึงตอนนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าเขาเลนึกถึงโทรศัพท์พ่อมากเลยแต่ก่อนเนี่ยพ่อโทรศับมาหาเขาทุกเย็นแทบไปทุกเย็นแล้วเขาลำคาญแต่ตอนนี้เนี่ยเขาโหยหาไอ้เสียงนั้นแหละเสียงโทรศัพท์ของพ่อนะแต่ว่ามันไม่มีแล้วนะเพราะว่าพ่อจากไปแล้ว <c oughs> เขาก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยโอ้ ไอ้เสียงโทรศัพท์ที่เราําคานี้ที่จริงนี่มันมันมีความหมายนะมันแปลว่าพ่ อ, อยังอยู่กับเรานะวันไหนที่ไม่มีเสียงนั้นมันแปลว่าพ่อจากเราไปแล้วเพิ่งมาได้คิดแล้วว่าไอ้เสียงโทรศัพท์เนี่ยมันมีความหมายนะมันมีมันมีความหมายที่ดีนะแต่ก่อนเขารู้สึกแต่ลาคานะมาเห็นความหมายของไอ้เสียงโทรศัพท์นี่ของพ่อเนี่ย เห็นความสําคัญเห็นคุณค่าชื่นชมมันก็ต่อเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วแล้วก็มันนึกเสียใจว่าตอนเด็กๆพ่อเนี่ยพาเขาไปเที่ยวแต่พอเขาโตพ่อแก่ตัวลงเขาไม่มีเวลาพาพ่อไปเที่ยวเลยพอกระถามนั่นแหละบางทีก็กกลาคาญแล้วสิ่งที่เขาทาเนี่ยนะเพื่อทดแทนความรู้สึกผิดก็คือว่าเวลาเขาไปไหนเนี่ย ขับรถไปไหนเนี่ยกขาจะเอารองเท้าพ่อเนี่ยนะติดรถไปด้วยจะวางไว้ตรงที่นั่งคนขับที่นั่งเบาะหลังนะเขาไปไหนก็ตามเนี่ยนะเขาจะเอาพ่อไปด้วยแต่ไม่ใช่พ่อที่เป็นเป็นนะแต่คือรองเท้าของพ่อนะใส่ไว้ตรงเบาะหลังแล้วก็บอกว่าพ่อไปด้วยกัน เขาทำได้แค่นี้แหละนะแน่นอนถ้าเขามีเวลาวนกลับไปได้เาคงก็คงอยากจะพาพ่อไปเที่ยวแล้วก็ไอ้ที่เคยหมกมุ่นกับงานหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยเขาก็คงจะเลิกจะไม่ทาหรือทาให้น้อยลงอันนี้มันก็เป็นข้อคิดนะว่าไอ้สิ่งอะไรสิ่งบางอย่างที่เราวันนี้รู้สึกลาคาญเนี่ย วันหน้าเราอาจจะโหยหาก็ได้ไอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแย่เนี่ยที่จริงมันมีข้อดีของมันแต่คนไม่ค่อยมองเห็นเวลาได้ยินเสียงกล่นก็ได้แต่บทลำคาญแต่ไม่ได้นึกว่าเนี่ยยังดีนะนี่มันตปยเาเขายังมีชีวิตอยู่นะวันไหนได้ยินเสียงโทรศัพท์จากแม่จากพ่อ ถามว่ากลับบ้านหรื อ, อยังหรือโทรศัพท์จากแฟนแล้วเมื่อไหร่จะกลับบ้านอนะให้แทนที่จะราคาญนะให้ลองนึกว่าอันนี้มันแสดงว่าเขายังยังอยู่นะเขายังรักเรายังห่วงใยเรานะอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นการมองแง่บวกก็ได้นะถ้าเรามองบวกเนี่ยนะมันจะทําให้เรานอกจากจะไม่ทุกขง่ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่านะของสิ่งเหล่านั้นนะเราก็จะ รู้สึกขอบคุณนะเออเยังโชคดีนะที่สามียังอยู่กับเราอยอ็งโชคดีนะที่แม่หรือพ่ อ, อยังอยู่กับเราเนีไม่ใช่เอาแต่หงุดหงิดลาคาญนะงั้นถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยคนที่รู้สึกลาคาญเวลาได้ยินเสียงบ่นของแม่ของพ่ออยู่บ้านนี้ก็ไม่ชอบเลยนะพ่อเอาแต่บน่นแม่เอาแต่บน่นหรือบางทีก็สามีหรือแฟน ลองคิดแบบนี้บ้างว่าเออมันยังดีนะแสดงว่าเขายังไม่ตายนเขายังอยู่กับเราวันไหนที่เขาหยุดบ่นเมื่อไหร่หรือวันไหนที่ไม่มีเสียงบ่นเมื่อไหร่วันนั้นแหละคือวันที่เราจะจะเสียใจหรือว่าเราจะรู้ซึ้งนะถึงความสําคัญไอ้ของเสียงบน่นมันก็ธรรมดานะีคนเราเนี่ยอะไรที่เรามีนะนะเราไม่ค่อยเห็นค่าหรอก๋อย่ว่าแต่ ไอ้สิ่งที่ทำให้เราลำคาญเลยนะแม้แต่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นค่าถ้าหากว่ามันยังอยู่กับเราบางทีสามีพูดเพราะภรรยาพูดเพราะหรือว่าพ่อแม่พูดดีกับเราเราก็เฉยเฉยนะไปหยหาสิ่งเหล่านั้นจากเพื่อร่วมงานมากกว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นค่านะว่าการที่พ่อแม่เรากลับบ้านแล้วเขาเอา เอาน้ำมาให้เอาของหวานมาให้เราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เพราะว่ามันทําทุกวันเห็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็คิดว่าเป็นของตายนะก็คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกนะลืมไปว่าสักวันหนึ่งไอ้สิ่งนั้นมันจะหายไปนะพ่อตายแม่ตายเขาก็ไม่มาพูดดีกับเราละหรือว่าเขาก็ไม่มาเอาอาหารมาเอาขนมมาต้อนรับเราละมาดูแลเราและ้ะถึงตอนนั้น พอมันหายไปถึงค่อยคิดได้ว่าโอ้มันมีค่ามีความสําคัญมากอันนี้นะแม่แต่ก็ต้องสิ่งดีๆนะที่คนอื่นมอบให้กับเราหรือสิ่งดีๆที่เรามีเรายังไม่ค่อยเห็นค่าเลยแต่ถ้าเรามองดีๆว่ามันมีความสําคัญมากแต่คนมักจะเห็นความสําคัญเมื่อสูบมันเป็นแล้วทํานองเดียวกันนะสิ่งที่เราไม่ชอบเสียงบน่นเสียงกรนเสียงโทรศัพท์มาตามเนี่ยเราไม่ชอบเราหงุดหงิดเราลาคานนะ แต่วันไหนที่ไม่มีเสียงนั่นแหละเราถึงจะรู้สึกนะแล้วก็โหยหาแต่ว่าก็สายไปแล้วมีคนนึงนะเป็นเพื่อนเขาก็ดูแลแม่ไอตอนที่ดูแลดูแลแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาทุกข์มากเลยแล้วยิ่งทุกข์มากขึ้นเมื่อว่าพี่พ่น้องๆ้องไม่สนใจมาดูแลเลยมีแต่เขาคนเดียวทำไมต้องเป็นชั้นนะอุตส่าห์ทิ้งงาน ไม่ได้ทำงานเหมือนกับทิ้งอนาคตมาดูแลแม่เป็นสิบปีดูแลแม่ทั้งวันยี่บสี่ชั่วโมงโก็ว่าได้ในใจคงเศร้ารอนะว่าเมื่อไหร่นะฉันจะหมดหน้าที่นี้นะลึกๆ ก, ก็คิดว่าเมื่อไหร่แม่จะตายนะฉันจะได้นะหมดภาระสักทีแต่เชื่อแม่พอแม่ตายนี่เขากับ โหยหาไอ้วันเก่าๆนะไอ้วันที่ได้ดูแลแม่นะแม้จะเหนื่อยยังไงอย่างน้อยความเหนื่อยเขาก็มันเกิดขึ้นเพราะแม่จึงมีชีวิตยอยู่ตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้วตอนนี้สบายมีอิสระแล้วแต่ว่ามันหมายความว่าแม่ไม่อยู่แล้วนะโหยหาอยากจะให้แม่กลับมาอีกนะอยากจะกลับมาดูแลแม่อีกนะ เหนื่อยเท่าไหรก็ได้นะนะอันนี้นะมันเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยได้ตระหนักนะเวลาเราเจอความทุกข์เวลาเราเจอสิ่งที่มากระทบไม่พอใจเนะี่ยเรามองเห็นแต่บุมเดียวคือมุมที่มันเป็นลบนะแต่จริงเนี่ยมันมันมีความหมายในทางบวกเยอะนะเพียงแต่เรามองไม่เห็นนะงั้นถ้าเราหันมามองอย่างนี้บังนะถึงแม้เราจะเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเช่น งานฉันไม่ชอบเลยงานที่ฉันไม่ชอบเลยแต่ณนะมอยดีมอยทีก็คือว่าเรายัางดีนะที่เรายัางมีงานทําเพราะถ้าไม่มีงานทําเมื่อไหร่ก็อาจจะหมายความว่าตอนนั้นป่วยหรือว่าตกงานไปแล้วหรือว่าเป็นคนที่ไร้ความสามารถแล้วลองมองในมุมนี้บ้างนะจะทําให้เราแนละมีความสุขกับสิ่งที่สิ่งที่ทําสิ่งที่เผชิญนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอาแล้วก็เท่านี้อ่ะ